อาจารย์พวกหนึ่งก็บอกไม่รู้แต่สรุปว่าทั้งหมดนะใครจะวิจารย์ยังไงก็ช่างเถอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระมหากระเสอพระพุทธเจ้าปรินิพานนั้นะ่ะหมื่นโล ก, กาธาตุก็หวั่นไว้แสงสว่างอันโอฬารหาประมาณไม่ได้ก็เกิดขึ้นขณะเดียวกันพระเทระรู้อยู่ถามเพื่อให้เกิดสติแก่ภิกษุทั้งหลายจริงๆแล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเพราะวันนั้นน่ะ ใครก็รู้แล้วพระมหาคสป่าไม่ใช่ว่าท่านไม่มีตาทิพนะไม่ใช่ว่าท่านไม่มีทิพจักสุไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรเลยท่านรู้หมดแหละเนี่ยนะแต่ว่าไอความที่ท่านเน้นเป็นผู้ที่สุขุมรอบครอบเป็นผู้ที่มีปัญญากิจเราใดที่ท่านทําท่านใครควรเมตแล้วอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านรู้อยู่แล้วแต่ว่าท่านก็เข้าใจนะว่าลูกศิษย์ที่ติดตามท่านมานั้นเป็นอย่างไร มันท่านก็เลยประสงค์แต่ถามเพื่อให้เกิดแก่ให้เกิดสติกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าให้คิดว่าบริษัทของพระเถระเนี่ยบางพวกไม่บางพวกเคยเห็นพระพุทธเจ้าบางพวกไม่เคยเห็นพวกที่เคยเห็นแล้วก็อยากจะเห็นอีกภิกษุที่ไม่เคยเห็นที่มาก็เพราะอยากจะเห็นภิกษุเหล่าใดไม่เคยเห็นภิกษุเหล่านั้นกระหายยิ่งนักที่จะเห็น คนที่เคยเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกผู้ที่ไม่เคยเห็นก็อยากที่จะเห็นพระพุทธเจ้าพันพอพระผู้เถอพอพระมหากระสปะถามว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนคําตอบก็ทราบว่าพระองค์ปริญนิพานได้ริพานไปแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ไม่อาจจะดํารงตัวอยู่ได้ถัดบางองค์ก็ทิ้งบาติ้งจีวอนทุ่งทิ้งผ้านุ่งผืนเดียวกระวาหรือไม่ผ้าที่นุ่งไม่ดีห่มไม่ดีทุบอกร้องให้คร่ํำครวญ พวกถ้าหากว่าเกิดไปร้องไห้ตรงนี้ต่อหน้าในกลางงานเนี่ยนะแม้พระธูดงไปร้องไห้กลางงานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ถือว่าแต่ละองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาติดตามพระหมหากระสปะมาตลอดพอไปเห็นพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วไปไปร้องไห้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแม้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะผ้าผ่อนหลุดไปหมดเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะโทษเอาว่าเราพิสูจผู้ถือบางสกุลอนัจีวระ จีวริกังฆะทุดงที่มากับพระมหากระสปะร้องให้เสียเองเหมือนสตรีเนี่ยนะร้องให้เหมือนพระเหมือนพวกผู้หญิงทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นก็จะปลอบโยนพวกเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเอางี้แล้วกันมาร้องให้ในป่าเหรอว่างั้นแต่ครับท่านก็เอให้ร้องให้อยู่ในป่ายังมากก็ไาอายผีสา ง, างนิดหน่อยแค่นั้นะ น, ะ น, ะ น, ะนะไม่ต้องแมกมหาชนคนใหญ่โต คนยเอยอะแยะมากมายแล้วบอกไหมกลุ่มพระรูปเราเนี่ยไปร้องไห้กระจององแออยู่ใกล้ตรงนั้นก็ไม่เคยไม่เคยดูไม่ไม่่อยดูหน้าดูเท่าไหร่เนี่ยนะซึ่งอ า, อาชีวกก็บอกว่าอัชชะสัตตาหังปรินิพุตโตสมโนโคตมโมบอกว่านับตั้งแต่วันปรินิพานจบถึงวันนี้พระองค์ปรินิพานได้เจ็ดวันแล้ว นี้ดอกมณฑารบข้าพเจ้าเก็บมาจากสถานที่ปริเนพานของพระสมณะโคดมแสดงว่าอาชีวศกเนี่ยนะก็ <ๆ S 1> นักนักบวชและที่อื่นๆถึงเห็นปาธิหารขนาดไหนก็ไม่เลื่อมใสยอยู่ดีเพราะคิดกันไว้คนละอย่างเนี่ยนะนับถือกันคนละอย่างเพราะฉะนั้นอ่ก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรแต่ก็เออดอกไม้สวยดีถือว่าเป็นร่มก็ได้ น, นะนะคนที่ไม่มีบุญไม่มีวาสนา ไม่เคยสั่งสมบุญอัธยาศัยมาเนี่ยนับไม่นับถือพระองค์จริงๆ น, นะบางไม่นับถือพระองค์ไม่ฟังธรรมของพระองค์เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสะสมบุญที่จะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าตลอดไปเนี่ยนะนีพูดถึงฝ่ายตอนที่ พระพิสุ์ผู้ที่ยังไม่ปราศจากราคะเนี่ยก็ยังร้องให้กลิ้งเกลือกอยู่ในป่านั่นแหละบอกแมพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักรุในโลกอันตรทานเร็วนัก สำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ปราศจากราคะหรือพระนาคามีทั้งหลายพระพิสูจน์เหล่านั้นก็ดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะข้อนั้นจะหาได้คือข้อที่สังขารจะเที่ยงอ่ะหาได้จากสังขารไหนหาจากรูปให้ขอให้รูปยั่งยืนตลอดไปเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นแหะสมัยนั้นบนรรพชิตผู้บวชเมื่อแก่ชื่อวสุพัทธะ ที่เราสมัยใหม่ใช้คําว่าหลวงตาสุภัทธะเนี่ยนะสุภัทธะวุฒิบรนประชิตแปล ว, ว่าบวชตอนอายุมากบวชตอนแก่แล้วเนี่ยสุพัทธะคนนี้นั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยเนี่ยนะก็ติดตามพระมหากษัตริยมาเหมือนกันสุพัทธะวุฒธบรรปะชิตเนี่ยนะแปล ว, ว่าพระสุภัทธะผู้บวชตอนแก่กล่าวกับพวกพี่สุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุเนี่ยนะ คือไหมเขาว่าแม้สะใจมานานเนี่นะเห็นคนอื่นก็ร้องไห้ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองเนี่ยราคาญขึ้นมาเลยบอกอย่าเลยผู้มีอายุพวกท่านยาเศร้าโศกยาร่ําไรไปเลยเราเนี่ยพ้นดีแล้วสบายแล้วงานนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพรา ะ, ะพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเบียดเบียนพวกเราอยู่แม้คอยคุมแจอยู่เหลือเกินเนี่ยนะคอยเนี่ยคุมเราตลอดลว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอ คุ้มเราตลอดเลยนะอะไรทํานิดๆหน่นอยๆเนี่ยท่านแหมําจี้จ ำ, จ ำ, จำชัยแล้วเกินเนี่ยนะบางพวกนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะยิ่งเขาเรียกว่าผู้ใดที่เป็นคนที่คอยบอกคอยแนะนำชี้แจงคอยตักเตือนคอยห้ามคอยปราบเนี่ยจะไม่เป็นที่รักของอาสัตว์บุรุษทั้งหลายสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่ชอบสัตว์บุรุษทั้งหลายชอบอะไรกัลยานนมิตรในความคิดของพวกสัต์บุรุษคือใครคือคนที่ตามใจตัวเองเนีนะ มันในสายตาของอาสัตว์บุรุษทั้งหลายในสายตาของคน่านทั้งหลายพันตัวเองนม่มีทธยาสายชอบทำชั่วใครที่สันเสริญในการทำชั่วของตัวเองยกให้ตัวเองเนี่ยทำชั่วอนุญาตให้ทำชั่วตามสบายนั่นแหละคือบุรุษในดวงใจของเขาคนที่อยู่ในใจของเขาก็คือคนที่ตามใจเขายินดีที่จะให้เขาทำชั่วส่งเสริมในการทาชั่วของพวกเขาแต่เขาจะเกลียดจะรังเกียจคนที่คอยห้ามปราม เขาไม่ชอบสัตว์บรุษทั้งหลายเพราะฉะนั้นอสัตว์บรุษนั้นโดยมากเกลียดไม่ชอบสัตว์บรุษทั้งหลายเพราะสัตว์บรุษทั้งหลายเนี่ยมีแต่การเน้การนำบอกกล่าวตักเตือนโอวาทพร่ำสอนสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธออันนี้ทำแล้วดีอันนี้ทำแล้วไม่ดีมีการบอกกล่าวตักเตือนและช่วยกันแก้ไข อาศัตรษทั้งหลายไม่ชอบเนี่ย น, นะโดยเฉพาะมันต้องอะไรนะสัตว์บุรุษทั้งหลายท่านก็ไม่ยอมอยู่ร่วมกับอาศัตบรษอยู่แล้วเพรานถ้าเห็นอาศัตรุษท่านจะแก้ไขให้กลายเป็นสัตว์บุรุษให้ได้พราฉนั้นก็ต้องมีการห้ามปรามแนะนําโอวาทและตักเตือนแต่อาศัตบุรุษไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สัตว์บุรุษแนะนําเช่นพระพุทธเจ้าแนะนําหลวงตาสุภัททะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่หลวงตากะว่าไงแม้พ้นซะไดก็ดีวะเนี่ยพ้นแล้วสบายแล้วเพราะฉะนั้น ไม่ต้องคอยมีใครมาคอยบอกคอยว่าว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอตั้งแต่บัดนี้ต่อไปพวกเราใครปรารถนาจะทําสิ่งใดก็จงทําสิ่งนั้นใครอยากฉันตอนเย็นฉันเลยเป็นต้นนะนยกตัวอยา่างใครหิวก็ฉันใครอยากทําอะไรก็ทำํำไปเถอะนะถ้าไม่ต้องการทําอะไรก็ไม่ต้องทําเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สบาย เป็นตัวของตัวเองอิสระแล้วคัเนี่ยมันต้องมีพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีธรรมมีวินัยไม่ต้องมีใครมาคอยบอกคอยเตือนคอยโอวาทใครอยากกินก็กินใครอยากนอนก็นอนใครอยากทําอะไรก็ทําตามสบายไปเลยอันนี้คือรัฐนะทีนี้ถามว่าคําพูดเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าไฟเนี่ยกําลังจะไหม้เมืองอย่างนั้นเถะเนี่ยเป็นคําพูดที่เรียกว่าลุกลามสร้างอันตรายในพระศาสนาก็เหมือนกับว่าพระถ้าเป็นตอนกลางคืนก็เหมือนกับว่าคนที่มาตัดไฟเนี่ยนะ คนที่มาตัดไฟตัดความเจริญรุ่งเรืองเป็นคนที่มีความคิดทําลายาศาสนาทั้งๆที่พระองค์ยังไม่ได้ประชุมพระเพลิงเลยแล้วก็เป็นคนในด้วยเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรแปลว่ามะเร็งร้ายกําลังงอกขึ้นมาในภายในแล้วเนี่ยนะก็แปลว่ายิ่งกว่ามะเร็งร้ายที่เรียกว่าไม่นานถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหมดกันแน่จบกันแน่ซึ่งพระหมหากัะสปะก็แนะนําตักเตือนว่า อย่าเลยผู้มีอายุพวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างนี้ไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า เราจะต้องละเว้นเป็นต่างๆคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายจะมาตั้งความปรารถนาว่าขอพวกเราอย่าได้พลัดพรากจากของรักของชอบใจอ่ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดมีความแตกทําลายเป็นธรรมดาการที่เราไปปรารถนาว่า ขอสังขารทั้งหลายเหล่านี้อย่าได้แตกทำลายไปเลยข้อนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเนี่ยนะอย่าเศร้าโศกอย่าเสียใจไปเลยเพราะสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าเสียใจเลยทีนี้ทำไมหนอหลวงตาสุภธาแกิจึง แม้พ้นได้ก็ดีเนี่ยพ้นดีแล้วจากมาสมณะเพราะไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมคอยบงการว่านี้ต้องทํานี้ไม่ต้องทําเป็นต้อนเนี่ยนะคำว่าสุพัทน์นี่เป็นชื่อของพิสูรรูปนั้นแต่บวชในตอนแก่ก็เลยเรียกว่าวุท ธ, ธบันปะชิตวุฒะแปลว่าเจริญเจริญตอนนี้แปลว่าแก่น ะ, ะถามว่าสุพัฒน์นั้นทําไมจึงต้องพูดอย่างนี้เพราะผูกโกรธไว้ในพระพุทธเจ้าพวกนี้พยาบาทต่อพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ละเว้นเลยนะ โกโรธแม้กระทั่งในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันผูโกโกรธผูกใจเจ็บในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรื่องมีอยู่ว่าสุพัทธะภิกษุรูปนี้อดีตเคยเป็นช่างตัดผมในเมืองอตุมานาครอ น, นะที่ที่มาเรื่องเคยมีในกำบีกันตะกะสุพัทธะหลวงตาคนนี้บวชตอนแก่ทราบเล่ามาว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากเมืองกุสินารา ไปยังอาตมานครพร้อมกับพี่สุประมาณหนึ่งประมาณสองรอยห้าสิบรูปพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จมาเนี่ยนะหลวงตาสุภาาัทธะคิดว่าเราจะทํำข้าวต้มถวายในเวลาที่เสด็จมาถึงแม้เขาอยากเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระพุทธเจ้าเองดูเหมือนดีใช่ไหมเออไอเดียดีนี่แม้มีศรัทธาอยากจะทําบุญเลี้ยงต้อนรับพระพุทธเจ้าเสเองเลยนะแต่จริงๆเนี่ยเป็นเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่คือเป็นคนขี้โม้อนะเป็นคนที่ อวดเป็นคึ้เรียกว่าพวกจำอวดอยากจะต้อนรับแบบคล้ายๆว่าโอ้อวดเนี่ยนะโอ้อวดต้องการจะโอ้อวดก็เรียกว่าต้องการโชว์พิเศษเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็คิดว่าเราจะต้องถวายอาหารในพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จมาถึงที่นี้การที่จะทำบุญของเขาไม่จว่าเขาแบบทำให้มันถูกต้องนะไม่ ทำตัวทำตัวเด่นเลยเนี่ยก็เรียกบุตรทั้งสองคนที่ตรวนเตรียมตัวจะเป็นเนนบอกว่าลูกเอ้ยเขาเล่ากันมาว่าพระพุทธเจ้าจะมายัางเมืองอัตุมานครพร้อมกับภิสุหมู่ใหญ่ประมาณ250รูปไปเถอะลูกจงไปถือเอาเครื่องมีดโกนพร้อมกับธนานและถังไปทุกลำดับเรือนไปไหนบอกไปเรื่อยอ อันนั้ไปเรื่อยไรยเลยลูกไปรวบรวมเอาเกลือนะไปขอเกลือเข้าไปขอน้ํามันเข้าไปหาข้ า, าวสารใครจะให้ของเคี้ยวให้ข้ า, าวยาคูประกะาศเชิญชวนมาทําบุญร่วมกันมาทําบุญด้วยกันทําบุญต้อนรับพระพุทธเจ้าโฆษนาใหญ่เลยนะหาถังไว้เลยลูกอะนนไปหาถังไปเลยลเานะหา ท, ห า, ทานานหาเขาเรียก ว, ว่าแทบจะหารถบรรทุกไปเที่ยวบรรทุกเรี่อยไรยเลยเนี่ยนะนะเหมือนดีใช่ไหมเหมือนดีถ้าพระพุทธเจ้าฉันให้ก็ดีสลตรงกันข้ามเลยเนะี่ย ทนบุตรสองคนนั้นก็ได้กระทําอย่างนั้นคือเราว่าไปเรียอะไรามาเนี่ยนะเรียอะไรได้เกลือได้ข้าวสารได้ของเคี้ยวมาเยอะแยะเพราะอะไรเพราะคนเห็นเด็กเหล่านั้นมีเสียงเพราะเด็กทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบ้างก็ประสงค์จะช่วยกันถึงว่าไอความที่เด็กเนี่ยเสียงดีมีปฏิภาณไหวพริบเนี่ยขนาดคนที่ยังไม่ให้ก็ยังต้องให้เลยยังแม้กระทั่งไม่ต้องการจะร่วมก็ยังต้องร่วมก็กระทําทั้งนั้นถามว่าพ่อเอ้ยนะ คือคือพวกชาวบ้านทั้งหลายก็ถามว่าท่านจะรับเอาไปในเวลาทำหรือเด็กสองคนก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรอื่นเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องการอย่างอื่นแต่พ่อของเราหลวงตาสุภัททะเนี่ยประสงค์จะถวายข้าวยาคูเป็นทานในพระพุทธเจ้ า, จาในเวลาที่พระองค์เสด็จมาถึงผู้คนฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะนําพาแต่ก็ยอมให้สิ่งที่เด็กทั้งสองนั้นนําไปได้หมดไม่อาจนําไปได้ก็ให้คนเนี่ยไปช่วยส่งนี่บบวันนั้นไปเรี่ยไยและประสบความสําเร็จมาก คือเด็กที่ไปเรียอะไรก็เป็นเด็กที่น่ารักะนะแล้วก็ฉลาดพูดอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองทุกคนก็ต้อนรับพระพุทธเจ้าใครจะไปขัดละ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ร่วมบริจาคทีนี้คนเอาไปได้เองบ้างช่วยกันให้คนอื่นอะ่นะให้พวกลูกน้องให้บริวาช่วยขนเอาไปถวายพระบ้างนะส่งไปถึงวัดเลยบังนั้นนี่ก็ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจา้าก็เสด็จมายังเมืองอตุมานนครเสร็จแล้วก็ไปพักในโรงลานข้าว ตกเวลาเย็นสุพัฒน์ท่าพิสุกก็ยังไปยังประตูบ้านนะคือไอเนักเรี่ยไรยเนี่ยนะนักเรี่ยไรยก็ยังไม่ยอมเลิกเรี่ยายช่วงเช้ามาก็ใช้ใลูกไปขอนวดพวกเกลือพวกข้าวสารน้ำมันของเกี่ยวไปเพื่อจะมาประกอบไปเรียรย่ยไรไปค้นเอามาเยอะแยๆไปหมดตกตอนเย็นตัวเองก็ไปอีกเข้าไปเรี่ยายในหมู่บ้านอีก บอกว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้รับอะไรอะไรอย่างอื่นจากสำนักของพวกท่านทั้งหลายข้าวสารเป็นต้นที่เด็กของข้าพเจ้านํามาก็เพียงพอแก่สงขอพวกท่านจงให้งานฝีมือเถอตอนแรกก็เรียรายได้อาหารมาเสร็จแล้วใช่ไหมแต่แม้มันไม่พอนะแล้วใครจะช่วยงานข้าพเจ้าก็มีแต่ข้าวของเต็มไปหมดก็เรียรายงานฝีมือแหลนะเนีตอนแรกก็ขอของก่อนตอนหลังก็ขอคนไปเที่ยวขอให้มาช่วยกัน ออถามว่าแล้วท่านสุภัทธะจะให้ข้าพเจ้าทําอย่างไรล่ะสุปหลวงตาสุพัทธะก็บอกว่าพวกท่านจงถือเอาสิ่งนี้สิ่งนี้และให้ถือเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดนะก็ ว, ว่าท่วต้องขนเอาหม้อเอาเอ า, เอ า, เอาตะหลิวเอาทับพีเอากระทะขนเอาไปให้หมดเพื่อไปช่วยกันทํามันมีแต่เข้าสายไปหุงไปต้มที่ไหนไปถึงก็ไปสร้างเตาไฟที่วิหาร ไปขุดเตาไฟนะเคยเห็นไหมประกอบวิธีแบบอาหารก็ต้อง um, นะขุดหลุมเลยขุดหลุมสร้างเป็นเตาไฟสร้างเป็นอะไรหาฟืนนะะก็เรียกว่าเรี่ยไรทั้งคนงานทั้งก้าวของเงินทองมาเยอะแยะเลยฝ่ายตัวหลวงตาเองเนี่ยนะนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาที่ดําปีอยู่พื้นหนึ่งนะครับผ้าดําๆย้อมเสร็จแล้วก็มานุ่งพื้นหนึ่งห่มพื้นหนึ่งแล้วก็เป็นคนบัญชาการทําครัวเองนะยืนสั่งการในการทําครัวว่าจงทําสิ่งนี้ อ่ะจงทาอันนี้อันนี้อย่าทำาั้งสายเอะอะโวยวายเอตโรอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะนะกดูแลควบคุมในการปรุงอาหารตลอดทั้งคืนและตัวเองนั้นก็สละทรัพย์อีกแสนหนึ่งก็คือแสดงว่าเป็นคนที่พอมีอันจะกินมาบวชอ่ะนะแต่บวชก็ไม่ได้สละไอ้ไอ้พวกอะไรไปหรอกก็เก็บเอาไว้ยังเก็บเอามาก็เอาเงินเหล่านั้นนั่นแหละมาร่วมปรุงเพื่อเพื่อประกอบอาหาร ทั้งเป็นอาหารยาข้าวต้มทั้งดื่มทั้งน้ำพึ่งน้ำอ้อยงบจัดซื้อจัดหามากองเงินบรนเดินทึกเพื่อจะรับเสด็จพระพุทธเจ้า